ดูสิกูบาเนี่เซอร์แถเยว่าหาเพื่นเขียนกลับกันนี่นี่าตามไม่จริงลงมาฉัน28รูปงดฉันเจ็รูปพันจีว่าทนะ่านน่ะมาห้ารบกี่รอบกูน่ะงดฉันย8รูปลงมาฉั น, เ, น, น, เ, เ, นเจ็ดรูปเป็นไงพวกเข้าเห็นหอดเจ็รูปบบพระที่นางยางหรือวะกู oh. บาเนี่า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 ตำแหน่งที่ดีขึ้นครับทางเจ้านายอืเราดูอยู่นี่วะเราดูอยู่เราเนี่ยมันขาดความรอบครอบการทำงานที่จะเป็นผู้ใหญ่หมูนต้องรอบคอบนะครับผมคิดว่าผมรอบขอบพอครับนะเอาเถอะนะไปลงไปดูหมาในทุนด้วยซิมันมีกี่ตัวหมานะ่ะมันมีเท่าไหร่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 หลายๆวัดอันนี้ท่านเลยทําขอไปพระท่านเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วโยมเป็นโยงวัดของลูกศิษย์ของเจ้าประคุณสําเร็จอยู่แล้วนะขอท่านขประทานมาให้เมื่อท่านประทานมาให้แล้วพวกเราก็น้อมรับทุกคนน่นถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับวัดป่าบ้านสวนจากนั้นพวกเราก็จะได้ พร้อมกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นวันวิสาขบูชาวันพู่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันมงคลยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูดตัดสรุปปรินิพานคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันได้ตัดสรุธรรมที่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนคือได้ตัดสรุพระธรรมแล้วก็พร้อมกันก็ได้เป็นวัน